เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกกองทัพขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่ครั้งแรกแต่ไม่เป็นผลสำเร็จนั้นความก็ได้ทราบไปถึงพระเจ้ากรุงอังวะพระเจ้ากรุงอังวะก็ทรงทราบแล้วตระหนักดีว่าถึงแม้ว่าไทยจะตีเมืองเชียงใหม่ครั้งแรกไม่สำเร็จก็ตามทหารไทยก็จะหาหยุดยั้งความพยายามลงไปไม่จะต้องยกกองทัพขึ้นมาตีเมืองเชียงใหม่เป็นคำรบที่สองอีกอย่างแม่นมั่น ดังนั้นพมา่าก็ได้เตรียมแผนการต่างๆไว้เพื่อเป็นฐานกําลังและความสะดวกคล่องตัวกล่าวคือพมา่าได้เกณฑ์มอนมาทําถนนหนทางปลูกข้าวเพื่อเป็นสเสบียงอาหารเลี้ยงพลครั้งนี้พวกมอนได้รับความลําบากเดือดร้อนไปตามๆกันดังนั้นพวกมอนก็ได้คบคิดกันตั้งให้พระยาเจงพระยาเจงนี้เป็นต้นสกุลโคชเสนีซึ่งเจ้าพระยาเจงนี้ เป็นเจ้าเมืองเตร์นเป็นหัวหน้าพร้อมใจกันจับพม่าซึ่งเป็นนายควบคุมอยู่ข่าเสียให้หมดกิติศัพท์อันนี้เป็นเหตุให้บรรดา ม, มอนทั้งหลายพากันเข้ามาร่วมกับพญาเจ่งเป็นอันมากและพวกมอนทั้งหลายเห็นว่ามีกําลังมากพอจึงยกไปปล้นเมืองเมตม ะ, ตมะเมืองสะตงแต่เมืองหงสาวดีได้สําเร็จแล้วก็ยกเลยไปตีเมืองร่างกุ้งต่อไปสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงทราบเหตุการณ์เหล่านี้เป็นอย่างดี ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าพม่าน่าจะต้องทำการปราบปรามพวกมอนพวกกบฏเป็นเวลานานทีเดียวจึงทรงฉวยโอกาสรีบไปตีเมืองเชียงใหม่ซะก่อนเพื่อเป็นการตัดกำลังพมา่าดังนั้นก็ทรงรับสั่งให้เกณฑ์กองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือจำนวนพลสองหมื่นคนให้ยกไปคอยรับเสด็จอยู่ที่เมืองระแหงแขวงเมืองตากและให้เกณฑ์คนในกรุงและหัวเมืองชั้นในเป็นกองทัพหลวงมีกำลังพลหื่นหาันคน สมเด็จพระเจ้าตากสินสเสด็จโดยกระบวนเรือจากพระนครเมื่อปี2311ขึ้นไปทางเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ได้จุมนุมทัพที่บ้านระแหงซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองปากในขณะนั้นก็ทราบข่าวว่าพระเจ้ากรุงอังวะให้อซวุลกี้ซึ่งเป็นเชื้อพระวง์เป็นแม่ทัพใหญ่คุมกองทัพลงมาปราบกบฏ ท, ที่เมืองร่างกุ้งพวกมอญสู้ไม่ได้ก็แตกหนีลงมา เหตุนี้ทําให้สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพระวิตตกโดยทรงเห็นว่าโอกาสที่จะตีเมืองเชียงใหม่นั้นมีเวลาเหลือน้อยเต็มทีพระทัพพม่าติดตามพวกมอญลงมาจนถึงเมอตมะพวกมอญก็คงจะหนีเข้ามาพึ่งอาศัยในเมืองไทยอย่างไม่มีปัญหาอันจะเป็นชนวนจูงใจกองทัพพม่าให้เข้ามาในเมืองไทยต่อจึงดังนั้นพระองค์ก็ตัดสินพระทัยอย่างเด็ดขาดที่จะต้องตีเมืองเชียงใหม่ให้ได้ จึงทรงดำรัสสั่งให้เจ้าพญาจักรีเป็นแม่ทัพใหญ่พร้อมกับเจ้าพญาสุรสีคุมกองทัพหัวเมืองเหนือยกไปตีเมืองเชียงใหม่ส่วนกองทัพหลวงนั้นจะตั้งรออยู่ที่เมืองตากเพื่อคอยฟังข่าวพามา่ากองทัพเจ้าพญาจักรีและเจ้าพญาสุรสีก็ยกขึ้นไปทางเมืองลำปางทางเมืองเชียงใหม่นั้นมีแม่ทัพพม่าอยู่รักษาเมือง ขันซาประกองทัพไทยยกขึ้นไปก็จัดให้พระยาจ่าบ้านกับพระยากาวิละคุมชาวเมืองหนึ่งพันคนเป็นกองหน้ายกลงมาก่อนส่วนแม่ทัพพม่าชื่อโปสุภาลาคุมกองทัพจำนวนเก้าพันคนยกตามลงมาคิดว่าจะมาตั้งต่อสู้ที่เมืองลําปางพระยาจ่าบ้านกับพระยากาวิละเป็นไทยลาน า, นาอยู่ใต้อานาจพม่า ด, ด้วยความจําใจ เมื่อยกมาถึงเมืองลำปางก็ได้พาพักพวกเข้าสวามิภักดิ์ต่อเจ้าพญาจักรีเมื่อไปทำาศาสตาบานตามประเพณีแล้วเจ้าพญาจักรีจึงให้พระยาจ่าบ้านและพระยากาวีละคุมพลชาวลา น, นาไทยนำกองทัพไทยย้อนขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่ตามเดิมขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงทราบ ว, ว่าพวกมอญกบฏกำลังอบพยพทั้งครอบครัวจะเข้ามายัางเมืองไทยเปน็นนานมากทั้งอาเซีวุ่นกี้ก็กำลังจะติดตามมา และพร้อมกันนั้นก็ได้ทรงทราบว่ากองทัพเจ้าพญาจักรียกกองทัพไปเชียงใหม่ทรงพระราชดําริเห็นว่าสงครามทางเมืองเชียงใหม่กําลังได้ที่อยู่จึงดํารัตสั่งมายังกรุงธนบุรีให้พระยายมรรัตยกกองทัพออกไปตั้งกักด่านที่ตำบลท่าดินแดงแขวงเมืองท่าขนุนลําน้ําำสายโยกคอยรับครัวมอนที่จะเข้ามาทางด้านพระเจดีสามอง และให้พระยากำแหงวิชิตยกไปตั้งอยู่ที่บ้านระแหงคอยรับครอบครัวมอนที่จะเข้ามาทางด้านนั้นด้วยกองทัพเจ้าพระยาจักรียกขึ้นไปถึงเมืองลำพูนปะทะกับกองทัพพม่าซึ่งตั้งค่ายสกัดทางอยู่ที่ริมแม่น้ำล ำ, ล ำ, ลำน้ำปิงเก่าก็ให้เข้าตีค่ายพม่าทันทีรบพุ่งติดพันกันอยู่หลายวันจนสมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จไปถึงเมืองลำพูน ก็พอดีเจ้าพรญาจักรีเจ้าพระยาสุรสีและเจ้าพยาสวรรคโลกตีทัพพม่าที่มาตั้งสกัดทางอยู่ที่ริมแม่น้ําปิงนั้นแตกหนีกลับไปเมืองเชียงใหม่กองทัพหลวงก็ตั้งอยู่ที่เมืองลําพูนส่วนกองทัพเจ้าพระยาจักรีก็ยกติดตามพม่าไปจนถึงเมืองเชียงใหม่ให้ตั้งค่ายล้อมเมืองไว้สามสิบสี่ค่ายชักปีกาตลอดถึงกันสามด้านอย่างแต่ด้านเหนือซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าพระยาสวรรคโลก เริ่มลงมือตั้งที่หลังยังไม่ทันจะแล้วเสร็จเจ้าพญาจักรีก็มีใบบอกลงมายังกองทัพหลวงว่าถ้าตั้งค่ายด้านเหนือเสร็จแล้วก็จะให้เข้าปล้นเมืองเชียงใหม่พร้อมๆกันทีเดียวหรือประการใดสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีพระกระแสรับสั่งขึ้นไปว่าพมา่าได้ตั้งค่ายรับอยู่ในเมืองซึ่งจะกลูกันเข้าปล้นพร้อมๆกันนั้นหาชอบไม่ถ้าทางไหนเสียทีก็จะพาทางอื่นเสียทีตามไปด้วย อยากเข้าตีพร้อมๆกันเลยสมควรจะเข้าตีด้านไหนก็ตีเฉพาะด้านนั้นจะดีกว่าให้ขุดคูวางวากวางหนามและวางปืนจุกช่องเตรียมไว้ทุกข่ายแล้วให้ขุดคูทางเดินเข้าไปประชิดเมืองให้ลึกพอที่คนจะเดินได้โดยไม่ขวางทางปืนถ้าหากข้าศึกยกออกตีก็ให้ไล่ตีกระชั้นชิดติดตามเข้าเมืองทีเดียว ฝ่ายแม่ทัพพมา่าที่รักษาเมืองเชียงใหม่เห็นกองทัพไทยไปตั้งค่ายล้อมเมืองก็คุมพลออกมาตั้งค่ายประชิดแล้วก็ออกปล้นค่ายไทยหลายครั้งแต่ถูกทหารไทยยิงล้มตายต้องถอยกลับเข้าค่ายทุกครั้งจนไร้พลย่อท้อไม่กล้าออกมาอีกได้แต่รักษาค่ายป้องกันเมืองมั่นคงอยู่ในขณะนั้นพวกชาวเมืองเชียงใหม่ที่แตกหนีไปซุ่มซ่อนอยู่ในป่าเห็นกองทัพไทยไปตั้งค่ายล้อมพมา่าอยู่เช่นนั้น ก็พากันออกมาเข้ากับกองทัพไทยเป็นอันมากสมเด็จพระเจ้าตากศินเมื่อเสด็จประทับอยู่ในเมืองลำพูนได้ทรงทราบข่าวจากเมืองตากว่าพม่ายกกองทัพติดตามครัวมอนเข้ามาทางด่านบ้านนาเกาะดอกเหล็กแขวงเมืองตากมีจํานวนพลประมาณสองพันคนจึงโปรดให้เจ้ารามลักหลานเธอคุมพลพันแรอคนไปทางบ้านจอมทองคอยดักพมา่าฆ่าสึกซึ่งจะมาทางเมืองตากนั้น ชั้นต่อมาได้ทรงทราบจากใบบอกเมืองตากว่าสุวรรณเทวะกระทำ ม, มวยคุมครอบครัวม อ, มอรมืองเริงประมาณพันคนเสรมายังเมืองตากในระหว่างทางได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าซึ่งติดตามมาพวกมอได้ยิงจากกายวอแม่ทัพพม่าตายพวกพม่าจึงพากันแตกหนีมาทางบ้านนาเกาะดอกเหล็กสมเด็จพระเจ้าตากสินสเสด็จกองทัพหลวงออกจากเมืองลำพูนไปประทับค่าย บริเวณริมน้ําใกล้เมืองเชียงใหม่แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรค่ายที่ตั้งล้อมเมืองเชียงใหม่อยู่นั้นและในวันนั้นท่านเจ้าพระยาทั้งสองก็เข้าตีเมืองเชียงใหม่อย่างเข้มแข็งและรวดเร็วที่สุดเจ้าพระยาจักรีตีค่ายพมา่าทังด้านใต้กับด้านตะวันตกแตกหมดทุกค่ายส่วนเจ้าพระยาสุรสีก็ตีค่ายประตูท่าแพรด้านตะวันออกได้หมดทั้งสค่ายทรงทราบทุกระยะสมเด็จพระเจ้าตากสินถึงกับยกพระหัตถ์ตบพระเพลาทั้งสองข้างแล้วออกพระโอษฐ์ว่า เออนี่จะว่าพี่หรือน้องดีกว่ากันฉะไหนในครั้งนี้สรงพระส ม, มนัตอย่างที่สุดแล้ววันในเกิดมานั้นเองโปสุพลากับโปมายุ่วนก็ทิ้งเมืองเชียงใหม่อพยพผู้คนหนีออกจากประตูช้างเผือกซึ่งอยู่ทางด้านเหนืออันเป็นด้านของเจ้าพระยาสวรรคโลกตีฝ่ากองทัพไทยออกไปได้แต่ทว่ากองทัพไทยก็ตามติดไปไล่ฆ่าปันพมา่าและก็จับเฉลยไว้ได้มากเช่นเดียวกันกองทัพไทยก็ยึดเมืองเชียงใหม่เอาไว้ได้ ทรงโปรดแต่งตั้งให้พระยาจ่าบ้านเป็นพระยาวิเชียนปราการเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ให้พระยากาวิระเป็นพระยานครลำปางครองเมืองลำปางให้พระยาลำพูนเป็นพระยาวัยวงศาเจ้าเมืองลำพูนอัแซบุญกี้ยกกองทัพพม่าตามพวกมอญกบดลงมาถึงเมืองมอตมะเมื่อปีพศ2317ครั้นรู้ว่าพระยาเจงพาพวกมอญจะเข้ามาเมืองไทย ทางด้านพระเจดีสามองค์จึงให้งุยอคุงบุญคุมพลห้าพันคนยกตามมาครั้นมาถึงท่าดินแดงก็ประทะเข้ากับกองทัพเจ้าพญายุมมราชแขกได้ทำการต่อสู้กันกองทัพไทยมีรีพนน้อยกวา่าต้านทานไม่ไหวก็แตกหนีมาตั้งอยู่ที่ปากแพรกดงรังหนองขาวตามลาดับงวยอคุงบุญก็ยกติดตามต่อมาแล้วมาตั้งค่ายที่บางแก้วเมืองราชบุรี ขณะนั้นมีใบบอกเข้ามาจากเมืองนครชัยศรีว่ามีพม่าเข้ามาเที่ยวปล้นทรัพย์จับผู้คนในแขวงเมืองสุพรรณบุรีและเมืองนครชัยศรีพรม่ากองนี้คือกองย่อยที่งวยอคุงบุญจัดแยกออกไปนั่นเองจึงมีรับสั่งให้พระยาพิชัยไอสวรรค์คุมพลหนึ่งพันยกไปรักษาเมืองนครชัยศรีและรับสั่งให้เตรียมกระบวนทับหลวงมีจานวนพลเกพันคนเพื่อจะยกไปยังเมืองราชบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินเสด็จไปทอดพระเนตรค่ายซึ่งตั้งโอภาอยู่ที่บางแก้วก็มีรับสั่งให้ตั้งค่ายเพิ่มเติมล้อมค่ายพม่าไว้จนรอบแล้วให้เจ้าพระยาอินทระอภัยไปตั้งรักษาหนองน้ำที่เขาช่องพรานอันเป็นที่ฆ่าศึกเลี้ยงช้างมาพาหนะฝ่ายงุยอคุงหุ่นแม่ทัพพมา่าเห็นไทยตั้งล้อมแข็งแรงมากขึ้นอย่างนั้นก็สั่งให้ทัพของตนเข้าปล้นค่ายเจ้าพระยาอินทราอาภัย ไทยก็ตีพม่าแตกออกไปพม่าเสียรีพลล้มตายไปนั้นมากจึงต้องอยู่ในค่ายโดยถูกฝ่ายไทยล้อมไว้ออกไปไหนไม่ได้เลยอาแซบุนกี้คอยอยู่ที่เมืองมอตมะเห็นกองทัพงุยอากุงบุญหายไปนานเกินกำหนดจึงให้ตะแขงมรนองซึ่งเป็นเชื้อพระวง์พระเจ้ากรุงอังวะคุมพลจำนวนสามพันคนยกตามเข้ามาเมื่อมาถึงค่ายพม่าที่ปากแพรก ก็ได้ทราบจากใบบอกของอุยอะคุงบุญว่าถูกไทยล้อมไว้แล้วที่บางแก้วจึงแบ่งกำลังทหารสองพันคนให้ไปช่วยงุยอะคุงบุญส่วนตัวเองเลยไปตีค่ายพญาหยมราชแต่ตีไม่แตกก็กลับมาที่ปากแพรกเพื่อคอยบัญชาการทัพต่างๆต่อไปจนกระทั่งได้รู้ว่าเจ้าพญาจักรีแม่ทัพใหญ่ฝ่ายไทยไปบัญชาการรบที่บางแก้วก็สั่งให้ทหารล้อมค่ายพมา่าไว้อย่างแน่นหนาพมา่าถึงกับอดอยาก สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงรับสั่งให้พวกทหารพม่าทั้งหลายยอมอ่อนน้อมเสียแต่โดยดีแต่พม่ายังดื้อดึงไทยก็ล้อมไว้ไม่ให้พม่าเล็ดลอดหนีออกไปได้โดยเด็ดขาดและพม่าก็ทนความอดอยากอย่างแสนสาหัสไม่ไหวตัวนายทัพคืองุยอคุงบุญก็ออกมาอ่อนน้อมพร้อมกับนายกองอีกหลายคนรวมทั้งไพร่พล พ, พมา่าในครั้งนี้จำนวนหนึ่งพันสยยีดคนเป็นหญิงสองคน พม่าในตายเมื่อถูกล้อมกว่า 1,600 คนไทยล้อมอยู่ถึง47วันอแซวุนกี้เมื่อทราบจากตะแคงมรนองว่างุยอคุงบุญถูกจับและกองทัพพม่าก็ถูกตีแตกอย่างยับเยินก็ทำให้รู้สึกว่าคนไทยทำศึกเข้มแข็งขึ้นกว่าการก่อนจกต้องทำการรบโดยถี่ท่วนรอบคอบต่อไป จึงสั่งให้โปมายุง้วนและโปสุพลาซึ่งแตกหนีไทยจากเชียงใหม่ไปตั้งมั่นที่เมืองเชียงแสนนั้นให้กลับลงไปตีเมืองเชียงใหม่ในปี2318อแซวุลกี้เมื่อเตรียมทัพพร้อมแล้วจึงยกมาทางด่านแม่ละเมาเข้าเมืองตากบรรดาหัวเมืองรายทางไม่มีกำลังต่อสู้ก็พากันอพยพหลบหนีเพราะกองทัพพม่าที่ยกมาครั้งนี้มีกาลังไม่น้อยกว่า 35,000 คนจากเมืองตาก พมา่าก็เข้ามาทางบ้านด่านล้านหอยตรงมายังเมืองสุขโขทยัยหยุดพักหาสเสบียงอาหารฝ่ายเจ้าพญาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีอยู่ที่เมืองเชียงใหม่กําลังเตรียมจะขึ้นไปตีเมืองเชียงแสนก็ได้ข่าวว่าพาม่ากยกมาทางด่านแม่ละเมาก็รีบยกทัพกลับมาทางเมืองสวรรคโลกเมืองพิชัยและตั้งรับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกเพื่อคอยกําลังทับหลวงจากกรุงทนบุรีขึ้นไปช่วยแต่เจ้าพระญาสุรสี อยากจะยกไปตีพม่าก่อนก็รวบรวมกองทัพหัวเมืองยกไปสุขโขทยัยได้สู้รบกันอยู่สามวันเห็นว่าพม่ามีกําลังมากกว่ามากนักก็ถอยกลับเข้ามาอยู่ในเมืองพิษณุโลกที่นี่มาถึงตอนอาเซบุนกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจั ก, กรีครับอาเซบุนกี้แม่ทัพพม่านี่อายุเจ็ดสิบสองปีแล้ว ในพระราชพงศาวดารได้กล่าวไว้ว่าเป็นผู้ชำนาญศึกรบชนะจีนมาแล้วทั้งมีนิสัยสุภาพผิดกับแม่ทัพพมา่ากุลก่อนๆได้ยกกองทัพใหญ่เข้ามาตีเมืองไทยทางด่านแม่ลาเมาเจ้าพระยาจาั ก, กรีซึ่งได้เคลื่อนทัพจากเมืองเชียงใหม่มารับที่เมืองพิษณุโลกโดยเจ้าพระยาสุรศรีเป็นเจ้าเมืองอแซบุญกี้พยายามตีเมืองพิษณุโลกอยู่หลายครั้ง แต่ถ้าว่าไม่เป็นผลสำเร็จสักทีอาเซบุนกี้แม่ทัพเท่าพม่าแปลกใจมากเพราะว่าตนเองก็เคยรบทัพจับศึกมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่รู้ประมาณของกำลังข้าศึกดีและรู้ยุธทธวิธีพิชัยสงครามทุกประเภทที่ผ่านการรบมาแต่ฉนหนหน อ, อในการสงครามคราวนี้จึงไม่สามารถเอาชนะไทยได้มักจะเสียเปรียบข้าศึกโดยอาศัยลาน้าซึ่งผ่านกลางเมืองให้เป็นประโยชน์ ได้มากการรบครั้งนี้พม่าซึ่งมีกําลังพลมากกว่าซ้ําทําเลการรบก็ยังได้เปรียบรบครั้งใดครั้งใดก็หาเอาชัยชนะจากไทยไม่ได้เลยบุกเข้าไปที่ไรก็แตกพ่ายกลับมาแม่ทัพไทยคนนี้คงจะมีฝีมือในการรบเก่งฉกาตอยู่ไม่ใช่น้อยจําจะต้องพักรบขอดูตัวสักวันหนึ่งคิดดังนั้นแล้วก็ได้แต่งทูตสันติไมตรีไปเจราจากับฝ่ายไทย ดังคำกรอนตอนอาแซวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรีซึ่งกล่าวไว้ดังนี้ว่าจะเป็นใครใครรู้ตัวว่ารูปลักษ์เชิงเช่นเป็นฉไฉนจึงเชี่ยวชาญการรนนรงสงครามชายัยเป็นยอดไทยคู่ปิ่นบดินทร์พรุ่งนี้เช้าเราทั้งหมดจะ ง, งดรบตั้งสงบปรลรังครั้งหนึ่งก่อนจะขอดูจอมลผุ่นพลนิกนหน้าสมรภูมิของกองทัพไทย ครั้นรุ่งแจ้งแสงสว่างกระจ่างล่าเจ้าพระยาจั ก, กรีผู้เป็นใหญ่ขี่ม้ากั้นสัพพทนยกพลไปยืนมาให้อแสบุญกี้พิจารณาแม่ทับเท่าชาวพม่าคลาได้เห็นอุระเต้นงานงกตกประมาะมีหน้าเล่าชาวผู้กามครามเดชาเพราะบุญบารมีคู่แผ่นดินไทยชมว่าดีฝีมือใครไม่เท่าสู้รบเราซึ่งเป็นผู้เท่าได้ ท่านจะได้เป็น ก, กษัตริย์ทรงฉัดชยัยครองตัวไว้ภายหน้าให้จงดีว่าแล้วให้เครื่องม้าทองหนึ่งสำหรับหนึ่งพันพับสกลาดสะอาดสีน้ำมันดินดินสอแก้วแล้วพาทีวันพรุ่งนี้จะไต่เต้าเข้าตีเมืองฝ่ายแม่ทัพไทยคือเจ้าพระยาจั ก, กรีเห็นว่าอาแซวุ่นกี้มีความประสงค์เช่นนี้ก็มีอาจจะขัดได้ เจ้าพระยาจักรีขี่ม้าออกมาให้อซาบุนกี้ดูตัวเมื่ออาซาบุนกี้ได้เห็นบุคลิกเจ้าพยาจักรีก็ตกตะลึงอยู่พักหนึ่งพอได้สติแล้วก็รีบพูดสารเสริญขึ้นว่าท่านนี้รูปก็างามฝีมือก็เข้มแข็งสู้รบกับเราซึ่งเป็นผู้เท่าได้จงอุตส่าห์รักษาตัวไว้ต่อภายหน้าจะได้เป็นกษัตริย์โดยแท้เมื่อพูดจบก็ให้ทูตนำเครื่องบรรณาการไปมอบให้เจ้าพยาจักรีโดยมีสิ่งของต่างๆคือหนึ่ง เครื่องม้าทองสําหรับหนึ่งสองผ้าสักราดพับหนึ่งสามดินสอแก้วสองก้อนสี่น้ํามันดินสองหม้อแล้วเจ้าพญาจักรีก็ให้ของตอบแทนแก่อาเ ซ, ซบุลกี้พอสมควรฐานะซึ่งกันและกันและก่อนที่อาเสวุลกี้จะกลับค่ายพักก็ได้พูดกับล่ามให้บอกเจ้าพญาจักรีกว่าจงเตรียมกําลังไว้ให้มั่นคงเราจะตีเอาเมืองพิษณุโลกในครั้งนี้ให้จงได้อันหนึ่งเฉพาะในวันพักรบนี้ เหล่าทหารไทยและเหล่าทหารพรม่า ก, ก็มีการเลี้ยงอาหารซึ่งกันและกันพวกทหารไทยเข้าค่ายพมา่าพวกทหารพรม่า ก, ก็เข้าค่ายทหารไทยมีการละเล่นรื่อเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานเฮฮากันหนึ่งวันเต็มเต็มฝ่ายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อได้ทราบข่าวว่าอาแซบุนกี้ยกทัพใหญ่ขึ้นมาทางเหนือก็เสด็จยกกองทัพหลวงออกจากกรุงธนบุรีเมื่อไปถึงเมืองพิษณุโลกก็ให้ตั้งค่ายเป็นระยะระยะไปดังนี้คือ ระยะที่หนึ่งตั้งค่ายที่บางสายพระยาราชสุภาวดีเป็นนายทัพระยะที่สองตั้งค่ายที่ท่ารงเจ้าพระญาอินทรอภัยเป็นนายทัพระยะที่สามตั้งค่ายที่บ้านกระดาษพระยราชพักดีเป็นนายทัพระยะที่สี่ตั้งค่ายที่วัดจุลามณีเจ้าหมื่นเสมอใจราชเป็นนายทัพระยะที่ห้าตั้งค่ายที่วัดจันท้ายเมืองพิษณุโลก พระยานาคอนสวรรค์เป็นนายทัพพม่าได้รบกับไทยตั้งแต่ค่ายที่หนึ่งมาจนกระทั่งถึงค่ายที่สามพม่ารบพุ่งอยู่จนค่ำจึงถอยกลับไปวันต่อมาพม่าเข้าปร่นค่ายระยะที่สองอีกแต่ตีไม่ได้ก็เลิกทัพถอยไปอาแซบยนุกกี้เห็นว่ากองทัพไทยที่ยกขึ้นไปจากกรุงธนบุรีมีกําลังมากกว่าที่คาดไว้แต่แรกจึงให้งดการเข้าตีค่ายเหล่านั้น และสั่งให้กำลังหนุนซึ่งรักษาเมืองสุโขทัย 5,000 คนนั้นแยกไปตีตัดลำเลียงกองทัพกรุงทนบุรี 3,000 ันคนอีกสองพันคนให้ยกไปช่วยทางพิษนุโลกการสู้รบกับพม่าซึ่งอาแซวุนกี้เป็นแม่ทัพครั้งนี้นับว่าต่างฝ่ายต่างมีความคิดสติปัญญาทัดเทียมกันจึงต่างก็ผลัดกันได้ทีเสียทีตลอดมากล่าวคือการเข้าตีข่พม่าที่ตั้งล้อมเมืองพิษณุโลกอยู่ในขั้นต้น กองทัพไทยระดมกำลังเข้าตีค่ายทางตะวันออกรอพร้อมๆกันทุกค่ายรบกันอยู่จนกระทั่งข้ามคืนถึงเช้าทหารไทยก็เข้าค่ายพมา่าไม่ได้ก็ต้องถอยออกมาเพราะอาเซบุญกี้คาดเคเน ก, การได้ถูกต้องจึงส่งกำลังช่วยทางพิษณุโลกขั้นต่อมากองทัพไทยเปลี่ยนวิธีใหม่โดยตีด้านหน้าและตีโอบด้วยแต่ก็ไม่สมประสงค์เพราะว่ากองทหารที่จะไปตีโอบนั้นไปยังไม่ทันถึงพมา่พมาพม่าก็ส่งกองทัพมาขัดขวางเสียก่อน ขั้นต่อไปอาแซบุนกี้ก็ออกความคิดส่งกองทัพไปตัดเส้นทางลำเลียงของกองทัพไทยทางฝ่ายกองทัพไทยก็รู้ทันก็ส่งกองทัพไปคอยคุมการลำเลียงของพม่าอย่างแข็งแรงแต่พม่ามีกําลังมากกวา่าจึงสามารถตัดการลำเลียงของไทยได้เป็นผลสําเร็จไดเป็นส่วนมากทัพพม่าตั้งล้อมเมืองพิษณุโลกอยู่นานถึงสี่เดือนทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เสด็จขึ้นไปช่วยไม่ได้เต็มที่ สามรายยิ่งกว่านั้นก็ยังส่งสเสบียงอาหารเข้าไปในเมืองพิษณุโลกยังไม่ได้อีกด้วยเพราะทัพของพมา่าตั้งสกัดอยู่ระหว่างทางสเสบียงอาหารภายในเมืองก็ขาดแคลนลงทุกวันทุกวันเหลือความสามารถที่จะรักษาเมืองเอาไว้ได้ดังนั้นเจ้าพระยาทั้งสองก็ได้ปรึกษาตกลงตัดสินใจละทิ้งเมืองแล้วก็ตีฝ่าวงล้อมของก อ, องทัพพมา่าออกไปทางเมืองพิษบุ์ และที่นั่นกองทัพปรมารอีกสามด้านก็ได้ถือโอกาสบุกตรวนเข้าไปในเมืองพิศนุโลกพร้อมกับจุดไฟเผาผลาญบ้านเรือนวัดว า, ารามพินาทย่อยยับหลายต่อหลายแห่งที่นี่มาถึงรายละเอียดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เสด็จมาเมืองระยองอันนี้จากบันทึกของชาวระยองนะครับพระราชประวัติโดยสังเขปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งเป็นพระนามที่เรียกกันทั่วไประหว่างครองราชนิใช้พระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่สพระนามเดิมว่าศิลนรกูลสามัญชนบิดามีเชื้อสายจีนไหหลําชื่อไหหองแท่แต่หรือว่าแต่ยงมารดาชื่อนกเอี้ยงเกิดเมื่อวันที่17เจเมษายน 2,277 ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศปลายรัชสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อเล็กไว้จุกบิดามารดายกให้เป็นบุตรบุญธรรมของท่านเจ้าพยาจักรีอามาดผู้ใหญ่ในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาเมื่ออายุประมาณห้าขวบท่านบิดาบุญธรรมได้นําใบฝากให้ศึกษากับอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาสเมื่ออายุได้สิบามขวบทําพิธีตัดจุกต่อมาได้บวชเป็นสามเณรณวัดสามพิหาร น, นอกกรุงเมื่อศึกออกมาก็ได้เข้ารับราชการจนอายุ21ปีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดโกสาวาส บวชอยู่นานสามพรรษาอยู่ร่วมพรรษาสุดท้ายกับนายทองด้วงหรือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกแล้วจึงสึกออกมารับราชการตามเดิมระหว่างรับราชการเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะปฏิบัติราชการมีความชอบในปีพศ2301อันเป็นรัชสมัยพระเจ้าเอกทัตได้เลื่อนเป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีไปชำระความคดีหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วเลื่อนเป็นยกระบัดเมืองตากอยู่ได้สามปี พระยาตากคนเก่าและพระประหลัดเมืองตากก็ถึงแก่กรรมจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าตากแทนตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านทั่วไปก็เรียกกันว่าพระยาตากต่อมาได้รับราชองค์การแต่งตั้งให้เป็นพระยาวชิระประการไปว่าราชาการเมืองกำแพงเพชรแต่ยังไม่ทันได้เดินทางไปรับตำแหน่งก็ถูกเรียกตัวให้เข้ามาช่วยป้องกันกรุงศรีอยุธยาเพราะถูกพม่ายกทับมาล้อมเมื่อปี2309ในระหว่างที่เข้ามาช่วยรัก ราชการรักษากรุงนั้นได้ออกสู้รบพม่าหลายครั้งมีเหตุให้เกิดความท้อแท้ใจหลายประการสอ่อเขาให้เห็นว่ากรุงศรีธิยาคงจะเสียแก่พม่าเป็นแน่เช่นครั้งแรกพระยาตาหรือพระยาวชิราประการได้ยกกำลังออกไปรบกับพม่านอกเมืองทำการรบจนมีชัยชนะยึดค่ายพม่าได้แต่มีกำลังน้อยขอให้ทางกรุงศรีุธยาส่งกาลังไปสมทบรักษาค่ายแต่ทางกรุงศรีุธยา ไม่ยอมส่งทหารไปจึงถูกทหารพรม่าเข้าตียึดค่ายคืนได้ครั้งที่สองพระยาตากได้รับคาสั่งให้ยกกำลังทางเรือออกไปรบกับพมา่าร่วมกับพระยาเพชรบุรีเมื่อได้ยกกำลังเข้าไปใกล้พระยาตากสังเกตเห็นว่าทหารพรม่ามีกำลังมากกวา่าจึงปรึกษากับพระยาเพชรบุรีขอให้หยุดดูเชิงค่าศึกอย่าเพิ่งผีพรมเข้าตีแต่พระยาเพชรบุรีไม่ฟังคานาทหารออกรบจึงพ่ายแพ้แก่ข่าศึก พระยาเพชรบุรีตายในที่รบเมื่อยกทัพกลับเข้ากรุงพระยาตากจึงถูกกล่าวหาว่าไม่ยกกําลังเข้าช่วยปล่อยให้พระยาเพชรบุรีตายทําให้พระยาตากเกิดความท้อแท้ใจครั้งที่สพมา่าได้ยกกําลังเข้าตีกรุงศรีธยาด้านที่พระยาตากรักษาการโดยพมา่ชาชราใจยกพลเข้ามาใกล้พระยาตากเห็นเป็นโอกาสจึงสั่งให้ใช้ปืนใหญ่ยิงออกไปถูกพมา่าล้มตายเป็นจํานวนมากต้องถอยกลับค่าย ครั้งนี้พระยาตากถูกพิจารณาโทษฐานยิงปืนใหญ่จะต้องขออนุญาตก่อนด้วยเกรงว่าพระสนมกำนันจะตกใจแต่เนื่องจากพระยาตากปฏิบัติราชการมีความดีความชอบมาก่อนจึงเพียงถูกภาคทันโทษไว้เหตุการณ์ครั้งนี้ยิ่งทําให้พระยาตากเกิดความท้อแท้ใจยิ่งขึ้นพระยาตากจึงมาจินตนาการใคร่ครวญดูว่าหากขืนทําราชการอยู่ในกรุงต่อไปคงไม่มีประโยชน์ทําความดีก็ถูกตําหนิโทษ อีกประการหนึ่งเมื่อได้คร่ครวนโดยรอบคอบแล้วเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงจะรักษาไว้ไม่ได้จะต้องถูกฆ่าสึกตีแตกเป็นแน่แท้เนื่องจากผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองในขณะนั้นมีความอ่อนแอโง่เขลาเบาปัญญาข้าราชการแตกแยกความสามัคคีเห็นทีบ้านเมืองถึงคราวจะเป็นไปเมื่อคิดได้อย่างนี้พระญาตากจึงร่วมกับผู้มีสติปัญญารวบรวมสมัครพรรคพวกที่มีความเลื่อมใสาอาทิเช่นพระเชียงเงิน หลวงพรมเสนาหลวงพิชายราชาหลวงราชเสนาและหมื่นราชเสนหาเป็นต้นและผู้นับถือในตัวพระยาตากได้ประมาณ500้อคนยกออกจากค่ายวัดพิชัยเมื่อคืนวันที่สามกราคมพศสองพตรงกับวันเสาร์ขึ้นสี่ข่ำเดือนยี่ปีจอจุลศกราช1128ัตีฝ่าวงล้อมของกองทัพม่าออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มุ่งสู่หัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออก การตีฝ่าค่ายทหารพรม่าออกมาของพญาตากและพักพวก500คนนั้นเป็นผลสำเร็จถึงจะเป็นกำลังส่วนน้อยแม่ทัพพม่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งยกทหารออกติดตามปราบปรามถึงสู้รบกันหลายครั้งแต่พญาตา ก, ก็สามารถคุมสมัครพักพวกเข้าต่อสู้ได้ชัยชนะทุกครั้งดังเช่นครั้งหนึ่งเมื่อทหารพรม่าไล่ติดตามไปทันพญาตากที่บ้านโพสังหารก็ถูกพญาตากตีแต่พ่ไป พญาตากยกกำลังมาถึงบ้านพรานนกเขตเมืองนครนายกได้ปล่อยทหารออกลาดตะเวนหาสเสบียงอาหารเกิดประทะกับทหารพม่าโดยไม่รู้ตัวทหารของพญาตากถูกตีแตกไม่เป็นกระบวนพญาตากทราบเข้าก็พร้อมด้วยทหารคู่ใจสี่คนรวมทั้งพญาตากด้วยเป็นห้าเข้าตะลุมบอลทหารพมา่าพร้อมกับแก้ก้นศึกโดยสั่งให้ทหารฝ่ายตนที่แตกร่นไม่เป็นกระบวน จัดกระบวนหม่ให้เป็นปีกาตีกระนาบทหารพรม่าทั้งสองด้านเป็นเหตุให้ทหารพรม่าซึ่งมีทหารมาประมาณ30สพลเดินเท้าอีกประมาณ200คนแตกร่นถอยกลับไปสิน้นชัยชนะของพรญาตากและสมัครพักพวกที่มีต่อทหารพรม่าครั้งนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านที่หลบซ่อนหนีทหารพรมา่าออกมาจากที่ซ่อนเข้าสวามิภักดิ์และอาสาสมัครสมทบกับกาลังของพญาตาก ทำให้พระยาตากมีกำลังเพิ่มขึ้นเป็นอันมากอีกครั้งหนึ่งต่อมาพมา่าได้รวบรวมกำลังเพื่อติดตามพระยาตากโดยจัดเป็นกองทัพใหญ่มีทั้งทัพ บ, บกทัพเรือและไปทันกองทัพพระยาตากที่บ้านดงศรีมหาภูเขตเมืองปราจินบุรีภูมิประเทศบริเวณนั้นเป็นทุ่งนาโล่งแจ้งทหารพรมาร่ามีกาลังมากกว่ากำลังของพระยาตากหลายเท่าแต่ด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมเป็นเลิศพระยาตากจึงอุบาย ล่อให้ทหารพรม่าไล่ติดตามตีถล่มลึกเข้าไปในพงแขมซึ่งพระยาตากให้ทหารซุ่มอยู่เมื่อทหารพรม่าถล่มเข้าไปมากพระยาตากก็สั่งการให้ทหารระลมยิงกราดยิงเข้าใส่ทหารพรม่าทําให้ทหารพรม่าล้มตายไป็นอนันมากแต่กระสัมกระสายถอยทับกลับไปตั้งแต่บัด น, นั้นเป็นต้นมาทหารพรม่าก็ไม่กล้ายกกําลังติดตามพระยาตากอีกพระยาตากจึงเร่งเดินทับต่อไปตามลําดับผ่านฉะเชิงเซาชนบุรี ระหว่างที่เดินทัพผ่านไปนั้นก็มีประชาชนเข้ามาสวามิภักดิ์และอาสาเข้าร่วมในกองทัพพระยาตากเพิ่มมากขึ้นทุกทีพระยาตากคุมไพรพลเดินทัพเรื่อยมาดังกล่าวจนลุแรมสิบสามค่ำวันอาทิตย์เดือนเดียวกันกับที่ตีฝ่าทัพพม่ากออกจากกรุงศรีทยาก็บรรลุเมืองระยอง พักท้ายพนอยู่นอกเมืองเจ้าเมืองระยองสมัยนั้นทราบข่าวพระยาตากยกทัพมาพักอยู่นอกเมืองก็พาคณะกรมการเมืองเข้าสวามิภักดิ์ต่อพระยาตากแล้วก็เชิญเข้าพักทัพในเมืองขณะที่พระยาตากยกทัพมาถึงเมืองระยองนั้นกรุงศรีติยาอยังไม่เสียแก่พมา่าแต่ก็มีข่าวว่าจะรักษากรุงไว้ไม่ได้ได้มีเจ้าเมืองและผู้มีฝีมือมีคนนับถือคิดติตั้งตัวเป็นใหญ่ไปตามตามกัน พวกกรมการเมืองระยองหลังจากเข้าสวามิพักต่อพญาตากแล้วภายหลังมีหลายคนกลับคิดไม่ซื่อต่อพญาตากพวกกรมการเมืองเหล่านั้นประกอบด้วยขุนรามหมื่นซ่องขุนจ่าเมืองนายทองอยู่นกเล็กหลวงพลแสนหารเป็นต้นกลับคบคิดยกพลเข้าตี่ข้ยพญยาตากขณะเผลอในตอนกลางคืนวันหนึ่งแต่ข่าวนี้ไปเข้าหูพญาตากพญาตา ก, ก็วางกลยุทธ์เตรียมตัวรับไว้เป็นอันดี ขั้นพวกกรมการเมืองยกกำลังเข้าตีไข่ก็ถูกทหารของพญาตากที่ซุ่มคอยทีอยู่ออกล้อมตีสกัดจนทัพฝ่ายกรมการเมืองระยองแตกพ่ายขุนรามหมื่นซ่องหนีไปอยู่กับเจ้าเมืองจันทบุรีเมื่อได้ตีทับพวกกรมการเมืองระยองแตกได้ชัยชนะแล้วพญาตากก็ยกพลเข้าตั้งทัพณบริเวณใกล้กับวัดลุ่มมหาชัยชุมพลปัจจุบันที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลนี้มีต้นสตือใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง ในว่าลำต้นทอดเอ็นลงไปกลางคูน้ำซึ่งล้อมเนินที่พระยาตากตั้งค่าอยู่ตอนโค่นต้นมีตอเดิมซึ่งเกิดจากการตัดเป็นกระพั ก, กรับกับลำต้นที่ทอดเอ็นทำให้เป็นประหนึ่งเก้าอี้ที่จะนั่งได้อย่างสบายครั้นรุ่งช้าพระยาตากออกนั่งบนตอสตือเอ็นกายพิงลำต้นเรียกประชุมคณะกรมการเมืองและประชาชนชาวระยอง ประกาศให้ทุกคนทราบเจ็ดจำงในการยกพลมาครั้งนี้ก็เพื่อจะกอบกู้เอกราชของชาติไทยให้พ้นจากพมา่าพระกรุงศรียุธยาต้องแตกเป็นแน่แท้ฉะนั้นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปมีความจำเป็นจะต้องสะสมกำลังไถ่พลและอาวุธระเตรียมไว้ให้พรักพร้อมเพื่อกอบกู้แผ่นดินสยามขับไลพ่พม่าฆ่าสึกให้พ้นจากแผ่นดินปรากฏว่าได้มีชาวระยองเข้าสวามิภักดิ์สมัครเป็นพวกเป็นจำนวนมากทำให้กำลังไถ่พลของพญาตากเพิ่มมากยิ่งขึ้น นับแต่นั้นมาชาวระยองและคนทั่วไปก็เรียกพระยาตากว่าเจ้าตากหรือว่าพระเจ้าตากศินเป็นต้นมาทีนี้เส้นทางเดินทัพของพระยาตากในพงศวดานภาคที่65้าได้ระบุไว้ว่าตีฝ่าออกจากกรุงถึงบ้านลำบันดิตได้เห็นแสงเพลิงไหม้กรุงมุ่งต่อไปยังบ้านโพสาวหานหรือโพสังหานและบ้านพรานกสู้รบกับพมา่าตลอดทาง ออกจากบ้านพานนกไปบ้านบางดงหนองไม้สุงตามทางเมืองนครนายกไปถึงบ้านนาเรื่องถึงเมืองปราจินบุรีบ้านด่านขบและบ้านทองหลังตะพานทองบางปลาสร้อยถึงบ้านนาเกลือออกไปพัทยานาจอมเทียนไก่เตี้ยสัตหีบหินโค้งแวะหยุดพักไถ่พลที่บ้านน้ำเก่าซึ่งเข้าใจกันในปัจจุบันนี้ว่าเป็นบ้านเก่าตำบลตะขันอำเภอบ้านค่าย ซึ่งขณะนั้นผู้รังเมืองระยองคือพระยาระยองบุญเมืองหรือว่าบุญเรืองได้ทราบว่าพระยาตากยกทัพมาก็เกิดความเกรงกลัวก็พากรมการเมืองออกไปเชิญให้พระยาตากพาไพรพลเข้ามาพักในเมืองพร้อมทั้งมอบธัญญาหารเกวียนหนึ่งให้พระยาตากพระยาตากได้พาไพรพลเข้ามาพักที่บ้านท่าประดูและพักแรมอยู่ที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลสองคืนจึงได้ทําการตั้งค่ายขุดคูปักขวาล้อมบริเวณที่พักไว้โดยไม่ได้ประมาท เมื่อได้รวบรวมไพร่พลที่เมืองระยองพักพร้อมพระเจ้าตากก็ยกกำลังเข้าสู่จันทบูร์หรือจันทบุรีหวังจะยึดเป็นที่มั่นสะสมกำลังเตรียมการกู้ชาติต่อไปเมื่อพระเจ้าตากยกทัพถึงเมืองจันทบุรีปรากฏว่าพระยาจันทบุรีไม่ยอมอ่อนน้อมเพราะหลงคํายุแย่จากขุนรามหมื่นซองที่หลบหนีจากระยองมาอยู่ด้วยพระเจ้าตากเห็นความจําเป็นที่จะต้องเข้าตีเมืองจันทบุรีและยึดเมืองให้ได้ดังนั้นในตอนเย็นภายหลังจากที่ให้ทหาร ขงข้าวปลาอาหารรับประทานกันอิ่มหนำสำราญดีแล้วพระเจ้าตากจึงสั่งทหารทุกคนทุบหม้อข้าวหม้อแกงซะให้หมดสิน้นแล้วประกาศว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีให้ได้ในคืนวันนี้หากแม้นยึดเมืองไม่ได้ก็ให้อดอาหารตายซะทั้งหมดคําประกาศนั้นทําให้บรรดาไพฑพลและผู้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นพร้อมกันในการเข้าตีเมืองจันทบุรีโดยพร้อมเพรียงพระเจ้าตากเองทรงช้างชื่อเคียรีกุญชร นำทหารเข้าพังประตูเมืองพังลงทหารของพระเจ้าตากก็กลันเข้าเมืองและยึดเมืองจันทบุรีได้ก่อนสว่างเมื่อพระเจ้าตากยึดเมืองจันทบุรีได้แล้วก็ได้ประชุมกรมการเมืองและประชาชนประกาศให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่จะกอบผู้เอกราชของชาติไทยขับไล่พม่าให้พ้นแผ่นดินไทยมีประชาชนเข้าร่วมอาสาที่จะช่วยรบพรม่าเป็นจำนวนมากทำให้กำลังใต้พลของพระเจ้าตากเพิ่มขึ้นเป็นกองกำลังใหญ่ พร้อมที่จะสู้รบขับไล่พมา่าในระหว่างพระเจ้าตากชุมนุมพลอยู่ที่จันทบุรีได้มีบรรดามิสหายที่เป็นแม่ทัพนายกองซึ่งได้เล็ดรอดหลบหนีจากกรุงศรีตยามาสมทบด้วยหลายคนอาทิเช่นหลวงศักดนายเวณมหาเล็กนายสุด จ, จินดาอันนี้ภายหลังเป็นสมเด็จพร ะ, ะกรมพระเจ้วังบวรมหาสุระสิงหนนะาเมื่อได้จัดการกับเมืองจันทบุรีเรียบร้อยแล้วพระเจ้าตากได้เดินทัพเข้าตีเมืองตราดต่อไปแล้วก็ยึดเมืองได้ ได้ไพ่พลเพิ่มขึ้นดังนั้นเป็นอันว่าพระเจ้าตากยึดได้หัวเมืองชายทะเลด้านตะวันออกไว้ทั้งหมดการที่พระเจ้าตากยุกมุ่งยึดเอาหัวเมืองแถบนี้ก็เพราะเห็นว่าอุดมสมบูรณ์และต้องการกําลังทางเรือเพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าจะได้ผลดีกว่าเดินทัพทางบกทําให้ทหารสดชื่นจะพบการต่อต้านไม่มากถ้าพบค่าศึกทางน้ํากําลังของพระองค์ย่อมเหนือกว่าเพราะว่าได้รีพลที่ชํานาญทะเล แล้วก็เป็นจริงดังกล่าวเพียงชั่วระยะเวลาเพียงสามเดือนพระเจ้าตากก็สามารถสร้างเรือรบได้ถึงร้อยลำมีกำลังทหารกว่า 5,000 ันคนขั้นเมื่อสิน้นฤดูมรสุมพระเจ้าตากก็ยกกองทัพเรือจากเมืองจันทบุรีเมื่อเดือนส1ปีกุลพศส3 1 0มุ่งเข้าสู่อ่าวไทยตีกรุงธนบุรีปราบปรามนายทองอินคนไทยขายชาติที่ไปเข้ากับพมา่าจับตัวไดสั่งให้ประหารเสีย ทหารของนายทองอินได้เข้าสวามิภักดิ์กับพระเจ้าตากจัดการเมืองทนบุรีเรียบร้อยแล้วก็ยกทัพมุ่งกรุงศรีอยุธยายกพลขึ้นบกที่บ้านโพอามต้นอันเป็นที่ตั้งของกองบรัญรชาการของกองทัพพมา่าเข้าตีค่ายทหารพรมา่าตั้งแต่เวลาเก้านาฬกาภายในเวลาเที่ยงวันทหารพระเจ้าตากก็ตีค่ายพมา่าแตกทุกค่ายสุกี้พระนายกองแม่ทัพพมา่าตายในที่รบกองทัพพมา่าแตกกระเจิงไป เป็นอันว่าพระเจ้าตากสามารถรบขับไล่ทหารพรม่าให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยได้สำเร็จเมื่อวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310ิตรงกับขึ้น15บห้าค่ำเดือน12ปีกุนจุลศักราช 1,129 เมื่อได้ปราบปรามขับไล่ทหารพรม่าออกจากแผ่นดินไทยได้สำเร็จแล้วพระเจ้าตากได้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินสยามสืบต่อไป สมเด็จพระเจ้าตากศินได้ย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่กรุงธนบุรีด้วยเหตุผลหลายประการประกอบกับขณะนั้นได้มีผู้คิดตั้งตัวเป็นใหญ่แบ่งเป็น ก, ก๊กเป็นเหล่าถึงห้า ก, ก๊กซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากจะต้องรบปราบปรามอยู่นานจึงราบคาบการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้เอกราชสำเร็จในครั้งนั้นก็เพราะชาวระยองเป็นกำลังขั้นต้นที่สำคัญทั้งนี้นับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากศิน พาสมัครพรรคพวกหนีออกจากกรุงศรีอยุธยามานั้นมีผู้ติดตามมาเพียงห้าร้อยคนรอนแรมและรบกับพม่าหลายครั้งจนสามารถรวบรวมไพ่พลจำนวนมากได้ที่เมืองระยองนี้เองและเมืองระยองนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่พระองค์ได้วางแผนเพื่อจะกู้เอการาชชาวระยองได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ถ้าหากชาวระยองคิดต่อต้านแล้วก็อาจจะทาให้พระองค์ดาเนินการต่อไปด้วยความยากลาบาก การที่ชาวระยองได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนพระองค์มีฐานะเป็นเจ้าก็ที่เมืองระยองนี้ฉะนั้นจึงนับว่าการเริ่มต้นกอบกู้เอการาชของชาติไทยให้พ้นจากการเป็นทาสของพม่าได้เริ่มต้นที่เมืองระยองโดยมีชาวระยองเป็นกำลังสำคัญเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าชาวระยองมีความสำคัญต่อการกู้เอการาชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมากเมื่อชาวระยองมีความสำคัญจึงถือว่า มีความผูกพันต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่มากแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วถึงสองร้อยกว่าปีแต่พระบารมีและดวงพระวิญญาณของพระองค์จะไม่ทอดทิ้งชาวระยองไปนันขาดถ้าหากชาวระยอง ย, งยังยึดมั่นในพระองค์ท่านดุจบัระบุรุษในอดีตที่ผ่านมาครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ